บทที่ยี่สิบเอ็ดกลุ่มลูกหาและทานพื้นเมืองคากันหมุนตัวสายสอดสายตาไปตามพุ่มพงรอบด้านอย่างช่วยกันสำรวจแต่อาการคนเหล่านั้นดูจะไม่มีความเล่าร้อนอะไรนักปิดกั้นไฟในแจง้งซึ่งเริ่มจากกระสับกระส่ายวู้นายวู้นายอยู่ไหนเสียงตาท้าบุญคำกูเรียกขึ้นเบาๆไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับมาทั้งสิน้นสภาพของป่ายาม น, นี้สงบนิ่งใบไม้สักใบหนึ่งก็ยังไม่กระดิกมาแรงประเภทศร้ไรซึ่งตามปกติแล้วในดงไผ่บริเวณนี้ ทั้งหมดก็จะเซนซ่ากันอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีตัวไหนทำเสียงให้เกิดขึ้นแม้แต่สักตัวเดียวเอ๊ะยังไงกันบนเอกลาลิคิตร้องออกมาเบาๆขามวดคิ้วอยู่ไม่อยู่เขาก็หายไปสต่อย่างนั้นแหละพวกเราทั้งหมดนี่ใครเห็นพันใหญ่เป็นคนสุดท้ายบ้างระหว่างที่ชนมุนกันอยู่ก่อนที่ไอ้ช้างพวกนั้นมันจะเปิดหนีไปดรสเตลี่ประกาศถามขึ้นดังๆกับทุกคนพวกลูกหาบอยู่ในอาการเฉยๆ เกิดใส่ใจและบุญธรมหันมองกันเองอย่างคุ้มคำและบุญคำอันเป็นตัวแทนของพวกผานพื้นเมืองทั้งหลายมาตลอดเวลาก็สั่นหัวบอกนักเสียงปกติว่า <ST UT> ไม่มีใครนึกออกหรอกในห้างตอนนั้นนามันนัวเนียยุ่งเหยิงกันไปหมดพวกผมสี่คนนี่ก็มัวแต่คอยระวังไม่ให้ช้างตัวไหนมันเข้ามาใกล้พวกในห้างเลยไม่ทันดูแต่ผมว่าในห้างอย่าห่วงเลยบระเดี๋ยวนาราพินก็มาเองแหละคงจะตามออกไปดูร่องรอยของไอ้พวกไวร้ า, านั่น อเริกันทั้งสีละเชิดบุษฐานมองหน้ากันเองนี่พวกเคอไม่ได้สนใจอะไรเลยหรือในการที่เขาหายไปเฉยๆแฝงหลังสก้ากระแทากับเช้าพวกนั้นอย่างตลุมบอลแบบนี้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับพขาก็ได้คริสล้องเสียงสูงขึ้นไปยังบรรดาพานพื้นเมืองและพวกลูกหัาทั้งหลายอาการของหล่อนศองความกระสบกระสายเห็นได้ชัดบุญคำยิงควันหัวเราะในลักษณะเดิมฉวยผ้าคม้าที่เกลี้ยเอวขึ้นมาเช็ดตามแขนที่เลอะไปด้วยฝุ่นละอองและเศษใบไผ่ จะต้องไปสนใจอะไรแหมนายของบุญคําก็อย่างนี้แหละเวลาออกป่ามาด้วยกันกับพวกบุญคํอาอยู่ไม่อยู่แกก็หายตัวไปทั้งวันหรือทั้งคืนทิ้งให้บุญคําทํางานหรือเดินทางมุ่งหน้ากันไปที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งร้านที่แกสังไว้ก่อนแล้วพอถึงคราวที่แกจะกลับแกก็โผล่ออกมาให้เห็นพวกเราคุ้นเคยรู้เส้นกันดีแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรือต้องมาคิดว่าแกจะไปไหนอยู่ในป่าแล้วนายระพินไม่ใช่คนหรอกเหมือนผีป่าตัวหนึ่ง ถ้าจะห่วงก็ห่วงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือตอนที่แกเกิดไปจับสั่นเป็นไข้ยอยู่ที่ไหนพราโรคเก่าเพราะถ้าถึงตอนนั้นแล้วแกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่มันก็ไม่บ่อยนักหรอกนะอาการแบบนั้นของแกก็มักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเป็นส่วนมากกลางวันแดดแจ๊แจอย่างนี้นะ่ะสบายมากแต่เขาก็ไม่ควรจะผ่าจากพวกเราไปไหนโดยไม่บอกกล่าวให้รู้กันบ้างในภาวะเช่นนี้เบลบ่นแล้วหันมาทางพ่อพวกกันเองฉันกับคริสมัวคอยกุ้มกันคนเก็บอยู่ เจ้านั่นดิ้นรนจนกระทั่งเข็มน้ําเกลือหลุดต้องแทงใหม่กว่าจะบังคับให้เขานอนนิ่งได้ก็ขุกถักเอาการตรงมุมนั้นผ่านสองคนมองไม่เห็นอะไรได้ทั่วถึงแต่รู้สึกว่าจะเห็นปะพินวิ่งวัแบแหวกผ่านไประหว่างต้มไผ่ใหญ่สองด้านนี่ส่วนอาจารย์เชิดวกับคิดก็วิ่งกันชุลมุนวุ่นวายอยู่ในบริเวณ น, นั้นด้วยมันเป็นภาพความสุดทายที่ฉันเห็นฉันเห็นวุฒิยางจะบรรจุกสุนจุดหมายอยู่ใต้โคนไผ่โน่น พี่บอกเขาก็ชี้มือแล้วไอ้งายาตัวหนึ่งก็วิ่งเข้าแทงเขาเชิญพุทวิ่งหลบออกมาได้มันหันหัวจะได้กดตามตอนนั้นแหละที่เห็นละพินวิ่งสวนหน้าเข้าไปแล้วก็เห็นไอ้ช้างเวนตัวนั้นล้มเถินลงกองกับที่ละพินวิ่งอ้อไปทางด้านหลังของมันต่อจากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยนั่นดูเหมือนจะเป็ น, นการรายงานครั้งสุดท้ายที่ฝ่ายนายจ้างมองเห็นละพินใครวันมัวพูดกันอยู่อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรทําไมเราไม่ทําอะไรสักอาหนึ่งเป็นต้นว่า บอกให้พวกบุญคำติดตามค้นหาหรือไม่อย่างนั้นก็รอวิทยุเรียกดูเชิดรถเป็นห่วงระพินไม่น้อยระกว่าสายอเมริกันแนะนำขึ้นว่าแต่ละพินมีวิทยุติดตัวอยู่หรือเปล่าเวลานี้ถ้าตามปกติแล้วฉันสังเกตเห็นเขาเอาวิทยุไว้ในเป้หลังของเขาและขณะที่เราพับกันอยู่นี่เขาก็ถอดเป้ออกแล้วมีแต่ตัวเปล่าๆกับใพืชประจมือเท่านั้นตอนที่ช่างผมเข้ามา คริสพูดละเอียดกว่าทุกคนโดยช่วยอย่างนิ่งในการหมั่นสังเกตการเคลื่อนไหวทุรกระยะของจอมพรานบอกมาและปลดปุ่มยุกในประจำตัวที่เหน็บเอวขึ้นขัดออกมาทันทีตัดปัญหาเราลองเรียกดูก็แล้วกันเราจบเรียก็กระดิกนิ้วหัวแม่มืกเปิดสวิตซ์เรียกทันทีสัญญาณออดเรียกขึ้นที่เครื่องของดเตอร์เซนลี่คริสเชอร์บูตลาเบลนักพินขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนเรียบร้อยดีหรือเปล่าพวกเราทุกคนกําลังร้อนใจ แม่ผมทองพูดช้าๆซ้ำอยู่สองสามเที่ยวในขณะที่ทุกคนรอรับฟังเสียงตอบอย่า ก, กระวนกระวายใจเงียบไม่มีสัญญาณใดๆจะตอบออกมาเลยทั้งหมดเริ่มหน้าเสียเชิดที่ย่ามหลังของเขาซีวิทยุอยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้ติดตัวไปในขณะนี้ก็ได้นณะคณะสั่งเรือปรือที่ไปที่เต้ส่วนตัวของทันใหญ่ซึ่งถอดวางไว้ในบริเวณที่นั่งศิชณาหาเรือกันอยู่ตอนที่ช้างจบุกเข้ามาอย่างกระทันหันเช่นวัตุกระโดดไปที่นั่นโดยเร็วเปิดออกเล น, นทันทีแล้วร้องบอกมาว่า วิทยุประจําตัวของเขาไม่ได้อยู่ในนี้มันแสดงว่าเขาจะต้องเอาติดตัวไปด้วยเซรีเบิร์กตาสีฟ้ากว้างขึ้นเคล็สุคานอะไรเบาๆในลาคอเบลค์ขมวดคิ้วสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีส่วนคิดขังออกมาว่า Gen เนีมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาเจะไม่ได้ยินเสียงเล่ห์จากพวกเราเพระรัศมีวิทยุของเราชุดนี้รับส่งกันได้ไกลถึงกว่าสิบไมล์และระยะที่เขาแพรหายออกไปนั้นก็ไม่เกินแก้ห้างนาทีเท่า น, นั้นเอง เขาจะออกไปพ่นลักมีะการเรียกไม่ได้ต่อให้เป็นนักวิ่งเด็วสัขนาดไหนก็ตามยกเว้นแต่พยายามเรียกหมายเลขคริสผู้นักขนาวร้องสั่นมาราวกับรถไฟด่วนละทิ้นละพิ้นไพวันคุณได้ยินเสียงเขาเรียกไหมถ้าได้ยินเสียงกรุณาตอบด่วนตอบด่วนคริสเรียกซ้ําอยู่อย่างประโยคเดิมอีกไม่ต่ากว่าห้าหกเที่ยวติดใจใหญ่ทีเดียวเสียงต่ําลึกจึงแว่วชัดออกมาจากลาโพงเล็กๆในตัวของเครื่องส่งวิทยุที่คริสพยายามเรียกอยู่ ละพินพูดได้ยินแล้วครับทุกคนถอนใจเครื่องออกมาพร้อมกันอย่างโล่งใจขึ้นทำไมถึงปล่อยให้เรียกนานนักล่ะคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนพริสกรอกเสียงตามติดต่อไปโดยเร็วขออภัยวิธีวเครื่องนี้ตกจากขึ้มขัดที่เอวผมอยู่ในพงรกระหว่างที่ผมตามยิงโขลงช้างโชคดีที่ผมอยู่ไม่ห่างจากตำแหน่งที่มันหล่อนอยู่เท่าไรนักพอดีได้ยินเสียงสัญญาณเรียกเลยเดินตามหาได้พบทาให้ตอบช้าไปหน่อย ความจริงมันเกือบจะหายไปแล้วถ้าตัวมันเองไม่ส่งเสียงร้องขึ้นมาต้องฝ่ายคุณเรียกวิทยุหายไปไม่เป็นไรหรอกอย่าให้ตัวคุณหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณหายไปก็แล้วกันแน่ใจหรือว่าขณะนี้คุณยังอยู่ครบถ้วนอาการสามสิบสองหมอเบลใช้วิทยุของหล่อนพูดแทรกไปทันทีเพราะถ้าบาังเอิญมันขาดด่วนไปคุณต่อให้ผมไม่ได้เหรอหมอเบลเชิญวุฒิล็อกกา้อาออกมาดังๆัเบลทำหน้าฉงนคิดอยู่ทิตาเดียวก็สะบัดถึมรีบส่งวิทยุของหล่อนให้หัวหน้าคณะ อา จ, จารย์ผู้ห่วขเข้าสิคะคนนายคนนั้นน่ะอยู่ไม่ห่างเราเท่าไหร่นักหรอกเพราะอยู่ในอารมณ์ที่ทึ่งเรื่องแบบเงียบๆคงจะไม่มีอะไรที่เราจะต้องห่วงในความปลอดภัยของเขานันหกหรอกดรสเตลลี่ของเราเบาๆชวนวิทยุของเบลขึ้นมาจอ่อ18เฮ้ยังแมนคุณยังไม่ได้บอกเราเลยตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนทิศเหนือของที่พักห่างประมาณไม่เกินสามร้อยหลาของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างครับด็ตอร์ทุกอย่างเรียบร้อยดีมากไม่ว่าบุคคลหรือสัมภาระเข้าของทุกชิ้นหัวหน้าคณะตอบด้วยเสียงแจ่มใสยินดี โดยเฉพาะลูกน้องสีคนของคุณวิเศษมากแต่เป็นมือแานเช่นยอดเดียวเราส ก, กัดกั้นมันไว้อยู่ซากของพวกมันล้มขวางเส้นทางด่านไว้รอบด้านเต็มหมดไม่ต่ำกว่าสิตัวขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีใครไปอันตรายเลยว่าแต่คุณเธอกำลังทำอะไรอยู่และทำไมถึงออกไปไกลนักเสียงละพินตอบมาชัดเจนว่าผมปวดไล่หลังมันมาทางด้านนี้และขณะนี้กาลังตรวจดูร่องรอยเพราะแปกใจในข้อที่ว่า เหตุใดพวกมันจึงย่องเข้ามาได้เงียบเชียบเหลือเกินโดยที่พวกเราไม่ได้เสียงแม้แต่นิดเดียวทั้งๆที่เป็นตรงเทึบพฤติการของมันราวกับหน่วยซุ่มโจมตีของกองโจรผิดธรรมชาติวิสัยของชาวธรรมดามากพวกเราก็มึนงงในพฤติการเล็กนิดดียของมันอยู่เหมือนกันดูมันรีลับมีเลสไนย์ยังไงพี่กลยังกะว่าไอ้ช้างร้ายทั้งโขงที่ร้องเงียบเข้ามาจู่โจมเรานี้จะตกอยู่ภายใต้การบงการของผีในล็อกถึงนั้นแหละคุณได้ร่องรอยอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะพิมยิ้มยื่นหน้าเข้าไปในวิทยุในมืออขงงดรลลนถไป พวกมันอาศัยย่องเงียบเข้ามาทางเส้นทางด่านเล็กๆที่มีอยู่รอบที่พักของเราพยายามหลีกเลี่ยงการเดินละหรือกระทบกิ่งไม้เพื่อไม่เกิดเสียงจํานวนไม่ทราบแน่แต่เชื่อว่าคงจะหลายสิบตัวเฉพาะด้านที่ผมตามออกมานี่ไม่น้อยกว่า15ตัวด้านอื่นๆยังไม่ทราบแต่ขณะนี้แตกกระจายหนีออกไปหมดแล้วส่วนมากเป็นช้างสีดอกไม่มีงาและตัวอยู่ในขนาดชะกันทั้งนั้นไม่มีลูกช้างปะปนเข้ามาด้วยเลยผิดไปจากโขงช้างทั่วๆไปแม้จะมองไม่เห็นตัวกันเลย ฝ่ายอเมริกันทุกคนกับประเทศนำทางก็สามารถพูดจาติดต่อกันได้อย่างใกล้ชิดโดยวิธีติดตัวประจําตัวอันเป็น ส, สมรรถภาพพิเศษของฝ่ายอเมริกันคุณแน่ใจไหมว่าเป็นโขงช้างภายใต้การนําของไอ้งาดําคุณเห็นตัวหรือได้เขาเงื้อมอะไรของไอ้จ่าฝูงบ้างหรือเปล่าเสียงของพรานใแย่งเงียบหายเปิดใจหนึ่งก็บอกว่าไม่มีช้างป่าสามันธรรมดาโขงไหนในโลกนี้จะมีพู้จการผิดธรรมชาติอย่างนี้นอกจากจะมีตัวจ่าฝูง ซึ่งมีอำ น, นาจพิเศษอยู่ในตัวของมันเองเป็นผู้นำอย่างที่ผมเคยบอกแล้วแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นโคลงเดียวกับไอ้งาดําที่กเกเลี่ยงหมู่บ้านตะเคียนทองไร่ฟังหรือเปล่า เ, เพราะยังไม่เห็นตัวจากโคลงที่ตาบอกมาหนี้ก็ต้องการจะดูให้แน่ชัดยังไม่เห็นอะไรพอที่ยืนยันได้ยิงไล่หลังคว่ำไปสองตัวใกล้ใกกับที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้มันก็เป็นช้างลูกโคลงทั้งคู่แม้จกตัวขนาดใหญ่ก็ตามเถอะ เอาละคุณกลับเข้ามาดีกว่าพวกเรากำลังรองอยู่ทางนี้เราสอบทานกเหลี่ยงสองคนนี้ดูแล้วเขายืนยันว่ามันเป็นโขงไอ้ช้างปีศาจนั่นแน่นอนขณะนี้ทั้งพโตและอูทะอยู่ใสภาพเกือบช็อกและพูดอะไรยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะักพวกเราต้องการถังน้ำไผ่เอาตัวของเขาออกมาภายหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆสงบลงแล้วข้าสองคนนั่นเพนนี้ เข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นค้าออกกลับออกมาไม่ได้เราต้องการให้คุณมาสอบถามเพื่ให้แน่ชัดต้องร้องคนนั้นคงจะขวัญดีขึ้นถ้าเห็นคุณเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอเวลาตรวจบริเวณนี้อีกส5นาทีเถอะตอนนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนสงบเสียอารมณ์กันให้สบายแต่ก่อนผมรับรองได้ว่าพวกมันจะไม่หวนกลับมาเล่นงานเราอีกตลอดระยะเวลาที่เรายังพักอยู่ในป่าบไพรนี้อ้อบินคำอยู่ใกล้ๆพวกคุณหรือเปล่าครับปะโยงหลังขาถามนน้าเสียงปกติธรรมดาที่สุดอยู่ทานแก่มือดีของคุณยืนอยู่ตรงนี้นี่แหละทําไมเหรอ พัวนาคณะถามหันหน้าไปทางบุญคําผู้ยืนอยู่ใกล้ๆโปรให้เขาพูดยืมยุ่กับผมหน่อยสิครับเป็นธุระจะสั่งงานนิดหน่อยเซลลี่ยืมยุ่งไปตรงหน้าของสมุดมือขวาของจอมพลอะเจ้านายของบุญคําก็อยากจะพูดด้วยเนี่ยบุญคําพูดสว่างลงไปในนี้นะแตาเท่าทาหน้าเลือดเลือดกระพริบตาเปรบเบแล้วยิ้มเหย่แย่คมัอ่อยๆว่าพูดแล้วมันไม่ระเบิดโป้งใส่หน้าบุญคํานั้นนายห้างหัวนาคณะจุ่ปากจิกจักโคลงหัวบุญคําเอานิ้ววาดบนพิบปากแล้ว ก็ พ, พูดเรียนเสียงผู้อเมริกันเหล่านั้นลงไปอย่างห้่องแค่วฮัลโหลฮัลโหลโอเคเมโนโอปีโกโคเลบุญคำพี่กิ่งอเมริกันกัญชานานด้าเรึ่งราพินตวาด ส, สวนหนักๆกออกมาจากน้ำโรงจิว๋วตา่านเท่าหดคอหลับตาปีนะคะที่เซรี่กับพี่ทำหน้าตื่นงงไม่รู้เรื่องเชิดบุนนั้นปล่อยกากออกมา จนตัวงอร้องนั่นออกมาว่าเดบให้มันได้อย่างนี้สิลุงคําไม่เสียแรงเกิดมาเป็นลูกน้องมือขวาของละพินเข้าขั้นเลยพับ่าเบลฟังไม่ทันเหมือนกันเพราะตาคําพูดเร็วหรือจับความไม่ได้เอียงคอมองเบิกตาอย่างฉ ง, งนสวนพืชนั้นภาษาไทยดีกว่าทุกคนในคณะและรู้เส้นในอารมณ์ขนองของซาเท่าได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการที่พิปปากั้นหัวเราะจนหน้าแดงแต่แล้วก็ปล่อยพืชออกมาพร้อมกับโอทันเบาๆว่า จิวปิตเดอร์ติโอแมนมันคำหันความกระ ท, ทำคริสติน่าทันทีตะหวาดแวบฮะว่ายังไงนะแห ม, มคริสด่าไอ้คำว่าไอ้แกงหักโสโครงนั้นเลอน้อยแน่นึกว่าไอ้คำฟังภาษาฝรังงง่งไม่ออกหรือยังไงอีโถคริสติน่าอาปากค้างลืมตาโตเอ๊ะรู้เรื่องเหรอถึงคําอื่นไม่รู้แต่คํานี้ก็พอรู้ละเพราะได้ยินหลังตัวเมียทั้งหลายด่าล่นหวยคํามาเจจนคุ้นหู ด, ดีแล้ว ไม่ว่าคนไหนก็คนนั้นแหละเป็นด่าคํานี้ทุกทีไปทั้งสาวทั้งแก่ยอมให้แหมมาเรียนด่าได้คนเดียวเท่านั้นนะคนอื่นอย่ามาด่าไอ้คำนะเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเห็นลิศไอ้คาบ้างแกเอ็ดตโลเลวหรือเป็นเสีย ง, ส เ, ย ง, ส ง, เ, งเสียงสุพรรณพรางค้อนปรับกระเหลืองเสื่อมรุในขณะนั้นหัวเราะจนต้องปุมท้องชอบอกชอบใจผิดสุดแต่และบันั้นเองตาเท่าบุญคําก็สะดุ้งหยงเพราะเสียงตะพินดังลั่นออกมาว่าบุญคําทะลึง่งแล่รู้จักเวลาเวล า, วลายอย่นั้นแหละฟังนี่อะไรหรือนาย แก่เสียงอ่อยลงไปตามเดิมขณะที่หันไปทางวัเชุที่หัวหน้าคณะยืนชูอยู่ให้ใกล้ๆปากมีเรื่องด่วนมากเสียงัะพินเปลีนป่นเป็นภาษาเกลืงทันทีขณะนี้ชันอยู่ทางด้านเหนือของปางพักห่างไปไม่เกิน250เมตรให้เดินมาตามทางด่านซ้ายมือตลอดสังเกตที่กิ่งไผ่หักเป็นทางระเกระระกะอยู่ทุกระยะจนยืนยืนคอยอยู่ที่จอมปลวกเหนือลาธ้วยแห้ง อย่าบอกให้ในายจ้างรู้ว่าบุญคําจะมาพบฉันให้หาทางเรียกออกมาจากงพักโดยที่ไม่ให้เขาเห็นตัวหรือสงสัยแล้วหลบออกมาให้เร็วที่สุดมีอะไรหรือนายบุญคําเริ่มจะดุ้งใจแต่ความฉลาดทำให้แกโตอตอบด้วยน้ําเสียงปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นและใช้ภาษากเหล่ยวเช่นกันมาเห็นแล้วก็รู้เองนะ่ะอย่าเือกถามอะไรมากเลยประเดี๋ยวเขาสงสัยเอาละนะ่เลิกกันนะสะพานเท้ามือดีของรพินยพยักหน้าหยุดหยุดกลับไปจิว้วแล้วหมุนตัวกับทำเป็นร้องตะโกนบอกพวกพวกว่า ไปไว่อยพวกเรานายช้างทํางานต่อไปตามเดิมย่างเนื้อหุงข้าวเตรียมปางพักไอ้ซากช้างเวรพวกนี้ทิ้งมันไว้อย่างนี้แหละดีเหมือนกันเป็นกำแพงล้อมปางพักของเราไว้อีกทีหนึ่งจะเดินไปได้เพียงสองซาก็ชงักถึอพือหมอเบลก้าขึ้ามาขวางหน้าไว้ชี้ที่หน้าอกพุ่งตระหงานเนื้อเกิดไปชนหน้าแก่จะได้กลิ่นสาบสาวของแหม่มผมแดงเดี๋ยว มีปริศนาเสร็จแล้วบอกหน่อยสิทำไมผู้ภาษาไทยกันอยู่ดีๆกับพรานใหญ่แล้วตอนหลังถึงได้เปลี่ยนเป็นภาษาเกรียงที่พวกเราฟังมารู้เรื่องบุญคำทำหน้าตาอย่างสนิทมองที่หน้าอกอันดันล้นปลีอยู่ในเสื้อหาจบวกแกฝ่ามือเดียวแล้วเหลือตาขึ้นไปมองเจ้าของภูเขาเนื้อที่ั ง, งาดขวาอยู่หน้าแก่ นายพูดกับพวกบุญคําน่ะเป็นภาษาเกาลีอยงตลอดเวลานั่นแหละแกเคยชินขอแกอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรหรอกแมมเบลนี่ก็จวนจะเที่ยงแล้วไอ้คัมจารี่ไปดูพวกนั้นหุงข้าวย่างเนื้อว่าแล้วข้เาเจเล ก, ก็หลีกทางเดินผ่านนี้ไปอย่างปลัาเปลี่ยวก่อนที่เบลจะคว้าตัวไม่ได้ทันท่าหมดของฝ่ายลูกหาบและผ่านพึ้นเมืองพา ก, กันแยกย้ายออกไปจากภาพดึงร้อมกลุ่มกันอยู่ทันทีทํางานกันต่อไปในากาลปกติเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ขณะนี้ซากของช้างรายกองพลเนินเนทิงซึกอยู่รอบบริเวณที่พัก ทั่วไปพร้อมทั้งกองเลือดตรอดจนลอยหักพังยับเยินแบกลายของกบไผ่พงไม้สำหรับฝ่ายในแก้าทั้งหมดยังไม่หายถึงเส้นต่างก็ยังยืนรวกลุ่มพูดกันอยู่ทางมองไปรอรบบริเวณอย่างสยองใจเสียงคิสบทสะบานดาอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ตนเองไม่เชื่อมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นในภาพที่ได้ไปเชิญมาหยกๆกซลลี่เอนั้นก็อยู่ในอาการง ง, ง เอามาือจับปลายคามองไปยัง้ากช้าที่ล้มพุกอยู่ใกล้ๆผ่าจากตำแหน่งที่ยืนอยู่ออกไปเพียงไม่กี่วาเท่านั้นแล้วผิวปากออกมาเบาๆโครกิษะอยู่ไปมาทั้งสามคนถลอกบอกเกิดเมือกทิบยไปทั้งตัวอันเกิดจากการล้มลุกคลุกครานอยู่ในกอไผ่ระหว่างตะลมบอลกันแบบประชิดตัวซึ่งขณะนั้นทุกคนรู้สึกตัวดีว่าความตายแขวนอยู่ใกล้แค่ปลายถุเท่านั้น เบลกับคริสดูเหมือนจะเรียบร้อยดียวกว่าทุกคนไม่มีรอยขีดข่วนในดแม้แต่น้อยแขยงแต่พอเหตุการณ์ขึ้นสุดลงด้วยดีทั้งสองสาวก็แทบจะหมดเปลี่ยวแรงเข่าออนลงไปทันทีตอนนี้ยังนั่งพูดอยู่กับรัพินเมื่อกี้นี้ หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์กล่าวกับพวกทุกคนที่นั่งหลับตาเปลือบๆมองหน้ากันอยู่พวกเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังฟังค า, า่านิทานแล้วจู่ๆความจริงมันก็โผล่เข้ามาถึงตัวเราแบบที่ไม่มีอะไรเตือนให้รู้ล่งหน้าเลยลงแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับภูบ้านตะเคียนทองตามที่กรลี่ยงสองคนนั่นถ่ายทอดให้เราฟังถามจีนจีนเอด็อกเตอร์ตามที่เราพินเล่าถึงช้างโคลงนี้พวกเราฟังหนักคุ้นจึงพวกเรา ไม่เชื่อเลยอย่างนั้นเหรอเชิญผูถามเซรี่เบฟานนีนึ่งยากไห์หญ่เรามีความตื่นเต้นในสิ่งที่เขาเล่าและอยากจะไปดูข้าของหมูบ้านตะเกียนทองที่ถูกช้างโขงนั้นทําลายเสียโดยเร็วแต่แล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปดูเลยมันมาถึงตัวเราเสียก่อนแล้วด้วยการจูดูดอย่างกระทำทั น, นที่สุดรู้สึกว่าพวกเราทุกคนไม่อยู่ในฐานะปลอดภัยพอที่จะวางใจอะไรได้สิแล้วถ้าหาบมีช้างเป็นกองทัพคอยดักหน้าจ้องเล่นงานเราอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะ ข, ของสัตว์ ร, ร้ายตามปกติที่กล้าหาญจะทําต่อมนุษย์ เราต้องการคําอธิบายอย่างมากสุดเดียวเกี่ยวกับพฤติการของทางโรงนี้เชื่อว่าราพินโคลจะให้ความกระจากแก่เราได้ถ้าเขาไม่มีอะไรบังเราผมรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นจากการสืบประวัติอุปนิสัยใจของเขามาก่อนคนคนนั้นจะไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าดิบ ด, ดงดำที่เขาไปเชยมาแล้วนอกจากจะปล่อยให้เราศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเราเองขะ ขนาดผมเป็นคนชาติเดียวกับเขาพยายามพูดคุยหลอกถามอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่เคยบอกอะไรกับผมสักอย่างบอกแต่เพียงว่ามลมืดและอำนาจที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เขาก็เป็นคนมีการศึกษาเหมือนพวกคุณเหมือนกันจึงย่อมรู้ดีว่าอะไรก็ตามที่เขาพูดออกไปแล้วถ้าเป็นสิ่งที่พวกคุณจะยอมรับฟังไม่ได้เขาก็จะไม่พูดพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพไทยบอกแก่อเมริกันผู้ร่วมงานทุกคนแต่ถ้าไม่พูดไม่บอกอะไรกันเสียบ้างเลยจูจูก็จะให้ พบกับสิ่งประหลาดๆเข้าถึงโซล่าแบบนี้มันก็ไม่เหมาะแน่คือว่าทั้งหลายแล้วมันขึ้นอยู่กับพวกคุณเองต่างหากที่จะสร้างความสริตใจเป็นการเองกับเขาได้เพียงไหนสามารถทำให้เขารู้สึกว่าจะพูดความจริงอะไรต่ออะไรแก่พวกคุณได้เพียงไหนพวกคุณเป็นชนชาติที่จเจริญขีดสุดแล้วทาหน้าที่ยาสายก้าวหน้าส่วนเขาเข า, เขาก็เตรียมตัวเตรียมฐานะตนเองที่เป็นเพียงแค่พานนําทางแล้วคุณคิดว่าเขาจะกล้าบอกเล่าในสิ่งที่สะ دان เหลือเชื่อ ที่พอพูดออกไปแล้วพวกคุณก็จะต้องพากันปวดร้ออย่างนั้นนะหรือผมคิดว่าเรื่องนี้พวกคุณจะต้องไข้ควนกันให้รับความอยู่ก่อนแล้วอย่าไปโอษเขาว่าเป็นคนนิ่งเฉยอมพนมันหรือรู้ในสิ่งใดแล้วที่มันลี้ลับผิดธรรมชาติสามันออกไปแล้วก็นิ่งเฉยไว้ไม่บอกคุณเขาไม่ได้มีประสงค์ร้ายกับพวกคุณหรอกแต่อาจจะพิจารณาว่าถ้าพูดไปแล้วพวกคุณก็คณจะไม่เชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นช้างบกวันนี้ถ้าไม่โดนเข้ากับตัวเองเช่นนี้พวกคุณก็คงจะแคลงใจอยู่นั่นเองว่า ผมเชื่อว่าคนาต้องการที่จะให้เหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมันบอกพวกคุณเองดีกว่าที่จะให้เขาบอกด้วยวาจาแล้วรีวรบปรปยักหน้าเนิบๆคุณให้ข้อคิดที่ดีมากแก่พวกเรานะเชิญบด แล้วหันไปพูดกับลูกน้อยสามคนที่นั่งนิ่งอึ้งกันอยู่จริงของวดต่อวันนี้พวกเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนท่าทีในการครบหาหรวิสาสะ ก, กับมกุฏเทศลําทางของเราเสียใหม่ทุกคําพูดหรือความเห็นของเขาเราจะมองผ่านหรือเห็นเป็นเรื่องไร้สาระต่อไปอีกไม่ได้แล้วและพยายามขจัดความขัดแย้งออกไปให้ได้มากที่สุดด้วยเทศสุบบาาราบวรนรังคอปล่อยกระติกน้ําส่วนตัวออกมาดื่มแ ล, ล้วเช็ดริบิ ป, ปัา ด, ด้วยแขนเสือ้อเรื่องนั้นน่ะพอจะแก้ไขได้ไม่ยากหรอกค่ะอาจารย์แต่มันยากอยู่ในข้อที่ว่า ทำยังไงเราถึงจะให้นายฮันเตอร์คนนั้นเปลี่ยนภาพจากการเป็นคนมึนตึงเฉยเมยเหมือนกับเป็นคนใบ้ตอถามคําตอบคำหรือไม่ฉะนั้นถ้าจะพูดก็พูดรวนชวนทะเละส่งไปเลยอาจารย์ไม่สังเกตเลยเหรอว่าเขาไม่พยายามพูดกับเราโดยไม่จําเป็นต้องคอยสอบถามซักไซส์กันอยู่ทุกระยะเขาวางท่าเป็นประเทศนาทางที่ไว้ตัวยะโสได้เก๋ไม่ใช่เล่นทีเดียวแต่ก็รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนั่นคือคุณภาพของเขาที่เราต้องการ เบลเสาขึ้นรอยๆลักษณะของบ่อนในขณะนี้ไม่เสาะว่ามีอารมณ์หรือข้อข้องใจอะไรนักตรงข้ามกับเพลสผู้แสดงอาการหงุดหงิดเธอทั้งสองคนจะต้องพยายามให้ดีที่สุดดเรเซรี่ชี้มือออกคําสั่งมายังผู้ใต้บงังคับบัญชาสาวทั้งสองคนคิดตัวเข้าไว้ระมัดระวังถ้อยคําที่เขาจะพิจนารณาว่าเราดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรเขาไม่ทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเราเห็นว่าเขาได้พัฒนากว่า แสงความเห็น อ, อกเห็นใจและความเป็นมิตรที่ดีคนคนนั้นมีความรู้สึกนึกถึงมากทีเดียวมันซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่มองดูเหมือนคนทื่อๆด้การพัฒนาของเขาหล่างที่แม่ผมทอและแม่ผมแดงเหลือบตา ม, มองกันและนิ่งเฉ ย, ชยเชินรุดกระเบิดออกมาว่าผมว่าอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับความจริงใจพวกคุณจริงใจกับเขาได้มากเท่าไหร่เขาก็จะมีความจริงใจแต่พวกเราเพียงนั้น แต่ถ้าพวกคุณถือว่ามีอะไรที่เหนือกว่าเขาเขาก็ย่อมมีสิทธิที่คิดว่าเขาก็มีอะไรที่เหนือกว่าพวกคุณเหมือนกันถ้ายอมรับความจริงกันว่าโดยที่ไม่หลอกตัวเองพวกเราทั้งหมดห้าคนอันรวมตัวผมด้วยนั้นก็ฝ า, ากอนาคตไว้ในกำมือของเขาทั้งสิน้นเรามีความรู้ในการคู่ระเบิดเหมือกว่าเขาแต่เขาก็มีความรู้ในเรื่องป่านเหนือนกว่าเรามันก็ต้องไท่ถีไี่ท่าศัยมาด้วยกันแบบนี้แล้วก็เท่ากับว่าอยู่เรือลำเดียวกันนั่นแหละทุกคนเห็นด้วยไหมครับที่ผมพูดกันนี้ อเมรกันทั้งคู่ประดับแต่งความคำพูดของเชิญพุดอย่างยอมจํานวนประเหตุผลเราก็ยอมรับความจริงข้อนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนินาคิดพวกออกมาดังๆขงมดคิวนิดหนึ่งจะยอมรับแต่ปากอย่างเดียวนะ่ะมันไม่ได้ผลหลอกต้องยอมรับด้วยใจของผู้คุณด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นขณะที่พวกคุณใช้คิวติดต่อกับแหล่งบัญชาการโดยใช้รหัสที่เขาฟังไม่ออกผมคิดว่าเขาคงจะไม่สู้สบายใจนักเพราะไม่รู้ว่าพวกคุณติดต่อสั่งการอะไรกัน ในขณะเดียวกันถ้าเขาติดต่อสั่งงานกับคนของเขาเป็นภาษาเกลียดที่พวกคุณฟังไม่ออกอย่างเช่นเมื่อสักครูน่นี้พวกคุณก็รู้สึกอุดอัดใจเหมือนกันไม่ใช่หรือโปรดเข้าใจด้วยว่าผมไม่ได้พูดเพื่อเป็นตัวแทนของเขาหรอกนะแต่ในฐานะที่ผมรู้นิสัยแใจคอของเขามากกว่าพวกคุณและผมก็มาร่วมปฏิบัติงานด้วยโดยเป็นฝ่ายเดียวกับคุณผมก็อยากจะเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมความเข้าใจถูกต้องระหว่างพวกคุณกับเขาเท่านั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาจะได้กจัดออกไปได้ง่ายๆขึ้น จะยังไงก็ตามผมก็เห็นว่าพวกคุณได้ทําในสิ่งดีงามในความรู้สึกของเขาไปบ้างแล้วเกี่ยวกับการที่ยอมหยุดพักหยุดที่นี่เพื่อช่วยชีวิตก ะ, กะเหลี่ยงบาดเจ็บอันเปรียบเสมือนเพื่อนชาวป่าเขาของเขาคนนั้นเชิดบุ้บยปากปทางสเอิญ น, นั่นเป็นจิตวิทยาที่ดีมากทีเดียวผมรู้ว่ารพินเริ่มนับถือพวกคุณเพิ่มขึ้นที่แสดงความเมตตาอารีในครั้งนี้เราไม่ได้ไดล่นะครเพื่อหวังผลในทางด้านจิตวิทยาอะไรกับเขาเลยเบลเสียงขึ้นมาทันที แต่มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมต่างหากถึงเขาไม่ขอร้องเราเราก็ต้องช่วยคนเจ็บอยู่แล้วถ้าเราอยู่ในฐานะที่ช่วยได้จะปล่อยให้นอนใส้ไหลเราความตายอยู่ได้ยังไงวุคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มองพวกเราเป็นคนไใจไม้ใจร ก, กรรมเอาแต่เห็นแก่ตัวไปได้เข้าใจพวกเราเสียใหม่และช่วยอธิบายเขาทราบด้วยคุณเป็นคนไทยด้วยกันผู้ดภาษาเดียวกันคงจะพูดกับเขาได้รู้ซึ้งดีกว่าพวกเรา ถูกต้องคุณต้องร่วมมือกับเราอีกคนหนึ่งหัวหน้คณะผันเนปะ็นตัวไประนาถหารหนุ่มอันเป็นตัวแท น, อ น, นทของปลาโหมที่ร่วมปฏิบัติงานมาด้วยไม่ต้องห่วงผมพยายามดีอย่างที่สุดแล้วแล้วคุณบอกเราได้ไหมว่าประโยชนสุดท้ายที่ดับพินพูดไปจู่กับบุญคำเป็นภาษาเกรียงเขาพูดอะไรกันพลิศถามอย่างแคลงใจบุญคําบอกพวกคุณแล้วไม่ใช่หรือเราไม่เชื่อตาเข้าจํากอลลอนนั้นหรอกแกลูกไม้เหลี่ยมคลาวไปหมดพอๆกับเจ้านายของแกนั่นแหละเร็วสอนึ้นมาเร็ว ถ้างั้นก็ลองสอบถามพานคนอื่นดูผมจําได้ว่าขณะที่บุญคําพูดที่จูบกับกระเพินมีลูกน้องเขายืนฟังและคงจะได้ยินชัดเจนในคําโต้ตอบเหล่านั้นด้วยเชิดบุตรว่าแล้วสอดสายตาไปยังบรรดากลุ่มลูกหาบและพานขึ้นเมืองที่กําลังแยกย้ายทํางานกันอยู่มาเหลือเห็นเกิดตัดหิ่งไผ่ที่หักระเระนลนาจอยใกล้ที่สุดเพื่อทําบริเวณนั้นให้เรียบร้อยทิ่สโกลเรียกวักมือเจ้าพานหนุ่มเดินเข้ามาหาแล้วก็ถามว่า นี่เกิดเมื่อกี้มีตอนที่พานใหญ่พูดกับคุณคำเรายืนอยู่ใกล้ใกด้วยไม่ใช่หรือครับเกิดเกิดตอบทำหน้าตื่นเต้นพานใหญ่กับคุณคำพูดอะไรกันเกิดเกือบจะพาซื่อพออาปาก็ถูกใจคิดถึงคำสั่งของเจ้านายที่กระชับไว้ก่อนออกเดินทางได้เกิดอยากจะบอกแกนายทหารเชิญพูดตามตรงแต่เมื่อถูกถามเอาต่อหน้าฝรัง่งทั้งสี่คนที่พากันมองมาและคอยฟังอยู่ก็เสฮัวระกลบเกินความจริงทันทีว่า แกบอกกับลุงคําว่าประเดี๋ยวจะกลับมาครับให้พวกเราทํานี้จัดการเรื่องที่พักให้เรียบร้อยตามเดิมเคลิวุฒหันไปทางแหมมสาวข้งซ้อเหมือนจะถามว่าพอจะได้คําตอบแล้วหรือยังทั้งเบลและเคลิร์ตจึงพยักหน้าไม่กล่าว่าใค ร, รอีกลุงคํานั้นภายหลังจากการนําแยกพวกออกจากฝ่ายนายจ้างแล้วก็เดินไปที่ซากกระทิ่นตามเดิมมีอาการเหมือนจะไปจัดกา ร, ราธุระที่ครั้งไว้ให้เสร็จเพราะเพิร์ตจากสายตาของนายจ้างทั้งหมดแกก็หลบพูด มุมกอไผ่สาวรอยเจ้านายไปตามด่านด้านเหนือของที่พักรับความสั่ทันทีอย่างเงียบเก็บแชร่รถลั ด, ดไปตามเส้นทางด่านซ้ายมือตลอดซึ่งเต็มไปด้วยกิ่งไผ่ที่ทางระเนร น, นาศลงมาพาดขวางเส้นทางเดินอยู่ทั่วไปอันเกิดจากการวิ่งกระเจิงของช้างโขงแกะรอ่อนพินด้วยความชงนานหนทางนั้นกระจายไปด้วยเลือดเกิดเกิดที่ไหลกองเป็นหย่อมหย่อมและบางระยะก็จะเห็นป๋อกระสุนไร้เพ่นตกอยู่ ตัวไม่กี่อืดใจตาเท่าก็มาหยุดชะ ง, งักถึงอยู่ใกล้ๆริมฝั่งลำห้วยแห้งภายใต้โคนไม้ใหญ่ซึ่งสังเกตได้เห็นชัดโคนไม้เหนือลําห้วยนั้นหักยับเป็นแฝงมีซาของช้างพังตัวมหืมานอตะแคงขวางอุดจูระหว่างช่องแคบนั้นห่างออกไปจากฝั่งห้วยนั้นไม่เกินสิบเมตรในหมู่ก้อนหินที่งอกอยู่เป็นคิวร่างของพลันใหญ่ยืนอยู่ที่นั่นไหลายก้นหนีบอยู่ใต้ซอกแขนกําลังคล่มอมลงจุดบริสุทธิ์ บริเวณป่าตรงที่ตะพินยืนอยู่นั้นลันกษณะแปลไปจากป่าไผ่ที่วางแคมป์กันอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นดงทึบของไม้เป็นจำพันแต่ละต้นสูงตรังงานเพียงฟ้ามีขนาดหลายคนอกอย่างรู้เส้นกันดีอยู่แล้วบุญคำไม่ส่งเสียงทักทายกระจกกระต่ายได้ทั้งสิ้นรีบตรงเข้ามาหาทันทีโดยการใส่ซากช้างที่หลงขวางนำห้วยอยู่ใช้แทนสะพานข้ามโดยไม่ต้องปีนฝังห้วยให้เสียเวลา เป็นขนาดเดียวกับที่เรพิมพ์ปิดฟ้าไลเตอร์เก็บลงกระเป๋าเสื้อแล้วเงยหน้าขึ้นแน่ใจหรือว่าไม่มีนายจ้างของเราคนใดทักตามหลังบุญคํามาเขาถามบุญคำเบาๆรับรองนายไม่มีใครรู้หรอกคุณคําหลบออกมาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นตอนที่ฉันพูดกับบุญคําพวกเขาถามอะไรหรือเปล่าแหม่มเบลทําท่าสงสัยอยู่เหมือนกันถามบุญคําแต่บุญคาก็บอกว่านายสั่งให้จัดการเรื่องที่พักทางด้านโน้ตเรียบรอ้อยดีทุกคนนะไม่ต้องห่วงนายไม่มีใครเป็นอะไรหรอก อย่งมากก็แค่แต้มยาแดงปิดบรัสเตอร์กันบ้างคนเล็กคนละน้อยเท่านั้นให้เอิงกําลังสลบยู่แท้ๆพวดท่าตื่นขึ้นมา ท, ทําท่าเนุกขึ้นแน่นดีแต่แหนมเบลกับแหนมทริช่วยกันจับตัวไว้ไอ้โต้กับไอ้พระเห็นเข้าไปในกอไผ่พระออกมาออกมาไม่ได้แล้วเยียดอยู่ในนั้นว่าแล้วแกก็หัวเราะหือๆเอามือลูกหัวอันคอดไปด้วยเส้นผมสั้นๆติดผังหัวฝรั่ง4ี่คนนั่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็นายทหารเชือดพุด ไอ้ฝรั่งตกกระใจกันใหญ่หน้าตายอย่างสุดขีดหรอกแต่ชุดนี้พอไปกับเราไหวนะใจมันถึงกันทุกคนแหละโดยเฉพาะแหมมผมทองกับแหมมผมแดง น, นั่นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนอกจากกะช้องแล้วยังสุีดีมากระหว่างที่ยิงกันนัวก็ยังช่วยดูแลไอ้เอิญได้ไม่อย่างนั้นไอ้เอิญวิ่งลากไส่ป่าลากไปแล้วส่วนนายทหารเชิดพุทนั่นก็ยิงปืนแม่นดีเสียตรงที่ชอบร้องโวยวายเท่านั้นเสียของแกคับป่าดังกว่าเพื่อนเลยตอนที่ชุลมุนกันอยู่ ในบรรดาพวกเราใครเห็นก่อนและใครเป็นคนจริงเป็นนัดแรกระหว่างที่ฉันนั่งคุยอยู่กับพวกเรานายจ้างขณะที่มันแอ บ, บย่องเข้ามาคุณคำกําลังคุมใพวกนั้นให้แล่นเนื้อกะทิงอยู่ตาเท่าบอกอาจารย์คุมพวกเราสองสาคนไปตัดไม้อยู่ทางด้านหลังของมุณคำอีกทีหนึ่งแล้วมันก็วิ่งตาแหกกระจายกันมาพอคุณคาหันไปดูก็เห็นตัวแรกกวดไล่หลักไอาจันมาติดติดดูเหมือนไอ้เกิดนั่นแหละสัดโครมก็ให้เป็นคนแรกเพราะมันอยู่ทางด้านตรงข้ามกับคุณคำหันหน้าออกปา บุญคำเป็นคนจริงนัดที่สองแต่แล้วอีกตัวหนึ่งก็กวดสีขับบุญคำสวนควันปืนมาไม่ผิดไปหลังนายไอ้โของนี่แหละที่เหยียบหมู่บ้านจะเขียนทองราดเป็นหน้ากรองแล้วยังไล่พวกของเออเอิญมาแต่พวกเราก็ยังไม่เห็นไอ้จากโขงที่มีงาดําอย่างที่พวกนั้นบอกเลยป่าภัยที่เราพักอยู่มันทึบมากจะเห็นเฉพาะไอ้ตัวที่ผมเข้ามา ใ, ใกล้ๆเท่านั้นพวกที่ลเรมวงอยู่ด้านนอกเรามองไม่เห็นไมโพรจะหลบตัวอยู่แบบเดียวกับเอ้แบงค์ในคลังนั้นก็ได้ พะนไพยวนอัดควันหลีลึกแล้วเปล่าลงไปทางด้านต่ำถ้าเลขกลนปัญญาของไอ้งาดำมันเหมือนกับไอแ้แหวงในสมัยนั้นก็ไม่ไกลนักหรอกก็ถึง อ, อย่างไรเราก็พอจะรับมือกันไหวแต่ขั้นสังหรณ์ใจยังไงพิกลว่ามันพิสดารไปกว่านั้นจะมีอะไรมากนักมานี่เนี่ยคุณํำจะให้ดูอะไร ก้าวจบเขาก็ยกหน้าเดินนำเราะมูหินสีดําคล้าที่งอกอยู่ระเกะระกะนั้นเข้าไปยังปากทางอันเป็นซอกลึกภายใต้ซุ้มเสาวันขนาดใหญ่เพิ่งห่างจากจุดจืนพูดกันอยู่ออกไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณก้อนหินพร้อมรอบแผงหนึ่งเราเป็นช่องเหมือนคูหาภายในพื้นที่ราบเรียบประมาณไม่เกินสิบตารางเมตรใช้ปากกระบอกลายพื้นชี่ให้ดูคุณคำยังไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนพอเหลือไปพบก็พ ง, งะหลังตาเหลือก อุทานออกมาเสียงหนักอลํนลำคอว่าอืมอิสติโ ซ, โซพระควาแล้วก็ยืแล้วก็ยืนตัวแข็งเป็นหินไปชั่วขณะจ้องภาพนั้นแทบตาจาะพะทุเส้นผมบนิีิษะทุกเส้นลุกชันอะไรชนิดหนึ่งอยู่ในท่า น, นั่งราบอยู่กับพื้นเกลี้ยงบริเวณนั้นขายเหยียดยาวหลังเอง็นทิยงกับผนังหินที่แน่ชัดที่สุดจากอาการมองแว บ, บเดียวก็เห็นบอกได้ทันทีว่าครั้งหนึ่ง ชานานมาแล้วจากเท่าไหร่ไม่ทราบมันเคยเป็นร่างของมนุษย์ในยุคสมัยที่ใช้โลหะกันแล้วและมีอารยาธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงโดยสังเกตได้จากอาพรและเครื่องแต่งกายบางส่วนซึ่งนบปัจจุ บ, บัได้แห้งเกาะเก่าแก่ในสภาพของวัตถุโบราณพอๆกับอายุไถ่ที่ประมาณไม่ได้ของจากและได้เชื่อมติดเป็นส่วนประกอบโครงสร้างชนิดแปลสภาพกลายเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วจากการเวลาที่ล่วงเลยมาช้านาน และดูไม่ผิดอะไรกับภาพที่แกะสลักด้วยเงาไม้สีดําสนิทสภาพของมันศกอาจยาของขุนศึกเคยมีชีวิตอยู่เมื่อพันปีหรือหมื่นปีถอยหลังไปก็ควรจะเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทราบโบราณที่ข้าเทนีเอาแต่แน่ละทั้งตพินไพรวันลัตาเท่าบนรมที่จ้องอ้าปากค้างอยู่ในขณะนี้ไม่อยู่ในฐานะจะบอกได้เป็นซากของอดีตมนุษย์ที่มีโครงกระดูกสูงใหญ่อย่างน้อยส่วนสูงก็ไม่ต่ํากว่าหกฟุสี่นิ้ว ดิสซาโ ต, ต้ปลอผมซึ่งดูเป็นภาพแกะสนักจากหินหรือเงาไม้นั้นส่วนหน้าเงาปกหน้าถากทิ้งชายขมวดคอติดต้นคอด้านหลังต้าตาลึกเปลือกตาปิดกระดูกโหนกแก้มสูงขากรรไกรกว้างเล็บพิบ่าวอยู่ในสภาพปิดสนิทมองไม่เห็นฟันเป็นรอยจีบย่นไหลกว้างจน อ, อกคมไว้ด้วยเกร็ดซึ่งน่าจะทําด้วยหนังสัตว์บัดนี้กลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับซากที่ต้นแขนด้านขวา พาดไปด้วยเปลอกโลหะส่วนใดก็ตามที่ควรจะเป็นเนื้อพาดในยุคสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กลายเป็นวัตถุกระดังแนบชิดกับร่างกายประดุจีวรหรือเสื้อผ้าของภาพที่หล่อด้วยสําเร็จของเจ้าของร่างนั้นคงจะองค์อาจดุร้ายหน้าเกมขามมากในฐานะของนักรคในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ในขณะนี้ที่เห็นอยู่ในยามนี้เป็นเพียงวัตถุโบราณอันน้าขนลุกขนชังเป็นอย่างยิ่ง ซากไม่มีส่วนใดบกสลายไปทั้งสิ้นไม่ปรากฏเห็นส่วนกระดูกที่โผล่ออกมานอกจากผิวดำเนี้ยมรัฐนั่นพุ่มกระดูกในลักษณะตายซากอันเป็นผลมาจากการอาบยาวไว้หรือจะเป็นด้วยปฏิกิริยาทางเคมีของธรรมชาติที่จะรักษาซากให้คงอยู่ตลอดไปก็าอาจจะเหลือสุกระดาได้พักษณะอันแข็งกระด้างประดุดปหล อ, อนั่งเหียดขาที่พับไว้ด้วยเชือกออกมาด้านหน้า โดยมีปลายเท้าใหญ่โตวางแยกห่างกันประมาณหนึ่งฟุตหลังเอ็นพิงก้อนหินทำมุมเจ็ดสิบองศากับพื้นตาข้าของผนังหินที่อยู่ด้านหลังนั้นสองแขนวางราดจุูข้างกายฝามือแบะแตะติดธาตกับพื้นไม่มีร่องรอยว่าซาบปลาดนี้มาวางอยู่ตรงตำแหน่งนี้ได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไรโดยอะไรไร้อดใจใหญ่เหี่ยวทั้งบ่าและนายทั้งคู่ มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าซากนั้นห่างเพียงแค่สองวารละพินยังยืนหนีบไลฟเฟิร์ลและสุปรีอยู่แนวการสงบตามเดิมตาที่มองจากไปยังซากนั้นหลีลงหัวคิ้วย่วนเล็กน้อยส่วนคันทน่าบุญคำจ้องแทบตาประทูออกมานอกเป้าริมพิปากขมุบขมิดใจยังไม่มีเสียงหลุดลอดออกมาคล้ายๆจะสวดท่องคาถาอยู่นายนที่สุดสมืนมือขวาของเขาเข้าทานออกมาดังไม่เกินกระซิบหือม ที่นายเห็นเห็นไอตัวนี้นะ่ะตั้งแต่เมื่อไหรจอมพลกวาดสายตาไปรอบๆตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างเพื่อดิจิรนาไข้ควรวนแต่ตอบด้วยนําเสียงปกติว่าก่อนหน้าที่ฉันจะเรียกคุณ ท, ท, ทาทําทุบศักดิ์เจนาทีเห็นจะได้มานี่เองตามยิงไอช้างเวงโคงนั้นมาทางด้านนี้เห็นพวกมันดาวสุะตัววิ่งผ่านหมู่หินบริเวณนี้จะตามต่อไปก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์จะยิงไล่หลังไปอีกก็เสียดายลูกปืน ก็เห็นว่าพวกมันเพ่นป่าราบไปแล้วพอหันกลับเดินผ่านทรงนี้ก็เห็นไอ้นี้นั่งเอกเดกอยู่ตรงนี้อย่างบังเอิญยืนดูมันอยู่พักใหญ่ๆแล้วจนกระทาั่งพวกเจ้านายเขาเรียกพิพิธยุเข้ามาคุณิําเอามือตบขมับตัวเองแรงๆและสบัดหน้าต้องโค้งลงไปพิจารณาสร้างนั้นจนเนต็มไตครั้งหนึ่งแล้วหมุนตัวไปรอบๆตรวจร่างรอยบริเวณใกล้เคียงอย่างทํานานโดยสัญชาติญาณของพราน พื้นบริเวณนั้นแห้งสนิทและแข็งมากมันไม่มีวิวแววอะไรที่จะตรวจได้ทั้งสิ้นนอกจากจะเห็นรอยหินย่อมๆบางก้อนขยับเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมบ้างซึ่งอาจจะเกิดจากการวิ่งชนบรทัของช้างโขงนั้นกระถอยหางออกมาอีกพยายามตรวจรัศมีที่กว้างออกไกลออกไปอย่างสีส่วนที่สุดแล้วก็กับพิษตาเปิดๆกลับมายืนอยู่เคียงข้างเจ้านายอีกครั้งหนึ่งค่อยๆหันหน้ามาสบตาสีหน้ากายของบุทคำขนาะนี้ปัญญานยากที่สุด มันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่บนคำพยายามตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นวิ่วแววหรือว่ามันเข้ามาที่นี่ได้ยังไงแต่ว่าสัตว์มันขเข้ามาจากที่ไหนก็พิสูจนู่หารอยไม่พบหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้พื้นแถวนี้มันเป็นพื้นแห้งแข็งมากยากจะตรวจอะไรได้นอกจากรอยช้างที่แตกโขลงผ่านวันทนี้เท่านั้นชี้ๆมานั่งเสียอย่างนี้เด็ดดีทีเดียวนี้ไอ้เวร พันใหญ่จุดพันจากก้นบุรีแดงว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะดิกระเด็นเหว อ, ออกไปในช่องหินใกล้ๆลองดูให้ดีสิบุญคำว่ามันมตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอเท่ามองหน้าเขาอีกแวบด้วยความรู้สึกทิ่กลและวจัดแจงสุดตัวลงไปที่ซากและบริเวณรอบซากด้วยความระมัดระวังปราบก็ขมุกขมิดภาวนาคาถาอะไรของแกโดยไม่มีเสียงปรากฏออกมาสิ่งที่บุญคําตรวยก็คือตำแหนงที่ร่างกายส่วนด้านของซากนั่งอยู่ และด้านหลังที่ซากนั่งพิงก้อนหินพักหนึ่งจะ ก, ก็ทำหน้าหยยๆเลยหน้าสดตานายคิดอย่างุญงทำไหมคิดยังไงถ้าไอตัวนี้นะมันมานั่งเอี้ยวตีตรงนี้เป็นเวลานานมาแล้วมันก็น่าจะมีรอยนั่งและรอยพิงอยู่กับหินและผนังหิน ตามเวลาของความเก่าแก่ของมันแต่นี่อย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยแม้แต่ใบไม้สักใบหนึ่งก็ยังไม่มีหล่นลงมาตกอยู่บนตัวมันยังกะมีใครแบกมันมาไว้จากที่อื่นจากแข่งหนึ่งแล้วเอามาตั้งไว้ที่ตรงนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นแหละเสียงประโยคหลังของแกแถวเบาหายไปในลำคอขนตามแขนล้วนจะลุกเดียวขึ้นมาด้วยความรูส้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวคุณคาว่าอย่างนั้นนะส่วนานายจะว่ายังไงคุณําไม่รู้แหละแล้วใครล่ะที่แบกมันมา ตั้งไวตรงนี้ตะพินถามขึ้นลอยๆมันจะพูดกับตนเองมากกวา่าจะพยาณาถามคุณทำเงียบปไปอึดใจในายออกตรวจรอบบริเวณใกล้เคียงกับหมู่หินนี่ก่อนหน้าบึงํำแล้วหรือยังดูแล้วนรัศมี20เมตรรอบเท็จแล้วเขาจ้องหน้าตอบนายพบร่องรอยอะไรบ้างหรือเปล่าพันใหญ่เอามือจับปลายคางอันขึ้นไปด้วยขาเขียวถึงช้าๆตอบมาด้วยเสียงเบาเช่นเดิมว่า ก็เหมือนกับที่บุญคําเห็นนั่นแหละไม่มีวิเววอะไรเลยนอกจากรอยวิ่งกระเจิงของของช้างทางกล้าเของ็สุดใจลงนั่งทางปลายเท้าของสร้างนั้นพึจารณานนิ่งอยู่ที่เขาโครงหน้าของใบหน้าอันมีแต่หนังหุ้มกระโดกมันเป็นสรางที่สมบูรณ์ดีที่สุดปราจากรอยผุพังหรือกลันถุกในส่วนใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งรอยเจาะชัยของมดปลวกหรือแมลงก็ค้นหาไม่พบเลยภาพของมันเป็นวัตถุที่แข็งเหนียวคงทนที่สุดและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเขาทดลอง ดึงมีดโบวีที่ติดเอลอยู่ออกมาใช้ส่วนคมขูดลงไปตรงหน้าแข้งของขาข้างหนึ่งอาการของมีดที่ขูดลงไปเหมือนกับขูดเงาไม้ที่ฝังเดินไว้นับพันปีและเมื่อรองฟันฉับลงไปด้วยแรงพอประมาณมีดชนิดใบหนาหนักก็กระดอยขึ้นมาทันทีพร้อมกับปรากฏเสียงดังป๊อกมีรอยของมีดที่สับลงไปเป็นทางปกตามคมเล็กน้อยเท่านั้นเอง บุญคำหย่อนตัวลงนั่งใกล้ๆท่านนายตกอยู่แนกกันที่ทักไปถ่วงบงงไปหมดปะปลไปกับความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกมันท่อนไม้หรือว่าสรางคนจริงๆกันแน่นายบุญคำชักสงสัยแล้ว่านเท่าสมุนมือความก็พบุญคำกระพิงกับลิปปิศปากนิดหนึ่งดูให้ดีๆอีกครั้งบุญคำฉันว่าเราน่าจะเคยเห็นไอ้ตัวชนิดนี้ที่ไหนมาก่อนแน่ๆลักษณะของมันที่เราเห็นในครั้งนั้นก็คล้ายๆกันอย่างนี้แหละ ซากคนที่ตายมานานแล้วจนหาอายุไม่ได้แต่อาบยาไว้โดยที่ไม่ให้เน่าเปื่อยมีหนังหุ้มกระดูกเหนียวยังกะหล่อไว้ด้วยอย่างรถจนคิดทบทวนที่บุญคำํำจะอย่างไรเสียพวกเราก็ต้องพบเห็นมันมาบ้างแล้วถ้าจะไม่ผิดบุญคําจ้องซากนั้นทําหน้าย่นคิดแล้วก็ลืมตากว้างเล่าออกมาว่าให้แล้วนายไอ้พวกศพอาบยาที่เราพบในปราสาทพันครุฑว่าดี เมืองนิทรานครตอนที่พวกเราบุกตามไอ้ผีดิบมันไกลเข้าไปสะาถอนเสร็จที่ปักคำพีอาร์ถันออกก่อนหน้าที่เราจะบุกเข้าไปถึงหีบศพพันจุมวดีก็ไอ้คางโคกตายซ่าพวกนี้แหละที่โผล่ออกมาจากซอกผนังปราสาทเข้ามาได้งานพวกเรา <c oughs> จนสะดุกจนตะลุมบอลกันอุดตุนไปหมดพวกมันทั้งหมดที่แห่กันออกมาราวกับผีป่าช้าแตกล้มเป็นท่อนไม้สิ้นติดลงเมื่อนายเป็นคนบุกเข้าไปถึง แทนใต้โรงศพพันธุมวดีแล้วกระชากเกิดออกมาไปหานี่มันไอ้พวกศพอาบยาที่เราพบในปราสาทล่างกลางป่าด้านจริงๆแหละบึญคําพู่จะนึกออกเดี๋ยวนี้เองจอผ่านป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงือ่อบนหน้าผากอันเต็มเรื่อเรียวรอยฉีกนของเขาใช่ไอ้พวกผีตายซากในปราสาทพันธุมวดีแถ่งนิทรานครที่เราเคยตลุมบอลกับพวกมันมาแล้วด้วยอํานาจกายเวทของมันใจนั่นแหละท่านจะได้เรียกให้บุญคํำมาตูยังไงละ่ะ ตาพันเท่าหมอผีลทานอะไรอามาคำหนึ่งแล้วเพนลุกขึ้นยืนทันทีพูดเร็วเปลือเสียงกระเส่านายถอยออกมาเถอะถ้ามันจะไม่ชอบมาพาคนเสร็จแล้วว่าแล้วแกก็พยายามจะชุดแขนเข้าให้ยืนขึ้นเพื่อถอยหางออกมาแตละเพนบอกมือปัดแขนออกไปทงนั่งอยู่ใกล้ปลายตีนซ่าที่เดิมลักษณะเต็มด้วยความคิดหนักปัญหาก็คือว่าซ่สาสนิดนี้เราเคยพบในปราสาทพันธุมวดีและนายฐานชัยยันก็บอกว่ามีอยู่เต็มไปหมดในถ้าใต้เขาลูกหนึ่ง ที่เขาเข้าไปติดอยู่กับกับดักของงันตรพร้อมกับแมมมาเรียนซึ่งพวกเราได้ไปช่วยกันระเบิดปากทางช่วยทั้งสองคนนั้นออกมาได้ทั้งนายทหารชา ย, ยันและแมมมาเรียนบอกกับพวกเราในครั้งนั้นว่าในถ้าที่เขาจะติดอยู่นั้นมันเป็นสุสานเก็บศพชนิดนี้ไว้มากมายทีนี้มาลองคิดกันดูสิว่าไอ้ผีตายสร้างอาบยาในลิขานครตัวนี้นะ่ะมันมา น, นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ร, ระยะทางจากที่นั่นมาถึงที่นี่นะ่ะมันห่างกันมากทุดเดียวนะ นายคงไม่บอกบุญคำนะว่ามันเดินมาเองบุญคำร้องและพินพ์ายวันคว้าฟรีออกหม่อีกตัวหนึ่งจุดสุดยางเยือกเย็นพยายามคิดย้อนทุกส่วนไปถึงสมัยที่ยังโรมดันอยู่กับอํานาจลึกลับด้วยปรตชญาห ม, ม่นของผีจิบมันใจซึ่งง่ายเขากับพนาเดืดทาของผู้ชายเทีาทา่ขามาอย่างน่าขนทองสยองกล้าวที่สุดบุญคำเองก็อยู่ในการเดียวกันแม้แกยังจําเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ในทุกขณะ ความเงียบงันเข้ามาปกบคุมอีกครั้งหนึ่งระหว่างเบานายผู้ร่วมตายกันมาทุกๆทุกสมัยยามนั้นลมสงบแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกคงได้ยินเสียงภาพพวกในแคนตัดไม้และพูดกันอยู่ทุมคำแววมาจางๆ มันจะเดินมาหรือมีอะไรนาะมันมาก็ตามอยู่ไม่อยู่เราก็มาคบซากอันเคยเป็นบริวารของมันไกลนั่งอย่างลึกลับโดยไม่ท่าคิดประกอรแบบนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดหนักทีเดียวร่องรอยก็ไม่ได้แสดงว่ามันมาอยู่ตรงนี้นาน น, นุ่มนแล้วแต่เป็นรอยที่เพิ่งจะมาวางอยู่ใหม่ๆหม่แทบจะได้ได้ว่าสดๆร้อน ๆ, ๆ้อนทีเดียวเขาพูดแผ่วเบาอย่างใจตรองเอานิ้วคีบสันจมูกอาการเช่นนั้นบุญคําพูดคุ้นเคยทราบเป็นทันทีว่าเจ้านายกําลังประสบภาวะยุ่งเหยิงในสมอง และเกิดความไม่ปลอดโปร่งใจนักตัวแกเองก็เช่นกันเหตุการณ์ในนิทรรนครยุคนั้นทำให้แกขนพองหยองกล้าวอยู่ไม่หายเมื่อหวนคิดถึงมาครั้งใดจริงอยู่สิ่งที่เห็นอยู่นี้มันก็เป็นเพียงซาก ข, ของมนุษย์ในยุคดึกดำบรที่ปราศจากความหมายอะไรมากมายไปกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเทียบว่าเป็นก้อนหินหรือท่อนไม้อันเป็นส่วนประกอบของป่าก็ว่าได้ แต่สภาพที่มาพบเห็นมันนั่งอยู่แบบนี้โดยยังหาหลักฐานไม่ได้ว่ามันมาอยู่ได้โดยวิธีใดประกอบกับย้อนนึกไปถึงอิทธิพลมนมืดอันแสนจะลี้ับสมัยที่เผชิญหน้ากับจอมผีหยิบมันไตรวิน้ำซ้ำซากนี้ก็ยังเป็นซากที่เคยพบว่าอยู่ในสุสาของนครที่เต็มไปด้วยอำนาจมหัศจรรย์เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมา ก, ก่อนก็ยิ่งทําให้เกิดข้อพิสูจน์บาทางแทงในใจมากขึ้นเพราะมันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันอยู่โดยที่ ทางดาพินและบุญคำก็บอกไม่ถูกว่ามันเกี่ยวโยงกันในลักษณะไหนแต่แน่ละสังขรในทางด้านร้ายเล่นเข้าจับสมองของสองบ่าวนายเสียแล้วแค่ตามมองตา ก, กันก็รู้ความในของความรู้สึกของแต่ละฝ่ายชัดเจนนายความจริงเราปราบมันไตรสิ้นซาไปแล้วนะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าบุญคำเผาซาบันจนกลายเป็นขี้เท่าส่วนไอ้โครงดำ น, นั่นก็ถูกนายทหารชายยัน ดักด้วยระเบิดเป็นจุนไปแล้วอิทธิฤิ์ของอาคมของมันก็ควรจะเสื่อมสลายไปตอนที่นายถอนเกร็ดที่ปักอยู่บนคมภีมายาวินแล้วก็เอาคำพีอุบาทด้านเผาไฟเป็นเท่าถา่าไปพร้อมๆกับซากของมันเราสามารถปลดปล่อยวิญญาณของพันทุวมาดีและปริวานทั้งหลายของพ น, นังให้พ้นจากอำนาจของมันไกลไปฝุดไปเกิดไปหมดแล้วมันไม่น่าจะมีอาถรรพ์อิทิฤทธิ์อะไรหลงเหลืออยู่อีกแล้วนะบนคําพูดขึ้นอ่อ ย, ออย ความจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างที่คุณคําว่าฉันก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะมาเห็นไอ้ตัวนี้มันมานั่งอยู่ตรงนี้ตามปกติแล้วมันควรจะอยู่ในสุสานอิธานนครหรือในปราสาทของพันธุมาวดีไม่ใช่หรือไม่มีร่องรอยว่าสัตว์มันจะเป็นตัวนํามาและสัตว์ไม่ว่าชนิดใดก็คงจะไม่คิดคาบซากที่แข็งเป็นหินแบบนี้มาเพื่ออะไรจะอาศัยกินเป็นอาหารก็ไม่ได้คุณคําก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันเลยนายแกพูดทางยิ้มแห้ง เราเก่งในทางหมอผีไม่ใช่หรือลองคิดดูสิว่ามันเป็นอะไรกันแน่บุญคําคงยิ้มแห้งแล้งอยู่เช่นนั้นเอามือลูบหัวพ่อ oh, นายก็รู้ว่าความจริงหนะนายเก่งกว่าบุญคำแต่อีกในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ก็ชั้นยอด ก, กับบุญคําเวลาผีมาเล่นงานบุญคําเข้าจริงๆไม่มีใครช่วยบุญคําได้นอกจากนายเท่านั้นไอคําหนะก็เป็นหมอผีประเภทชอบลูบหัวเท่านั้นแหละ ทารใหญ่ไม่สนใจอะไรกับถ่อยคำของแกงทั้งสิ้นนั่งสุบริพิจารณาซากนั้นอยู่อีกจุดใจหนึ่งก็ใช้ปลายมีดโบวีขีดกับพื้นเป็นเส้นไว้ตามรูปร่างของซากที่นั่งเหยียดขาอยู่เขาขีดแบบวาดโดยกำหนดด้วยเส้นที่รากไว้ตามพื้นว่าภาพที่พบเห็นซากในขณะนี้มันอยู่ในลักษณะไหนรอยมีดที่รากไปตามพื้น และโขดหินตากฏดเป็นเส้นขาวจางๆมองไม่ถนัดนักแต่ก็พอจะสังเกตได้ถ้าพิจารณากันจริงๆระหว่างนั้นเสียงของคุณคำร้องถามมาว่านั่นนายทำอะไรนะ่ะแต่คานใหญ่ไม่ตอบผงก้มหน้าก้มตาขีดกำหนดจนครบเส้นแล้วยืนขึ้นเก็บมีดเข้าฝากที่ห้อยเข็มขัดอยู่คุณคำทํานหน้าตื่นถามซ้ำ ม, มาอีกว่านายขีดรอยไว้ทาไมตะกดมันไว้เลิกชออ่อครานผักคือในลาคอ ฉันน่ะไม่ได้มีชิลิศเวทมนต์คาถาวิเศษอะไรที่จะสะกดไอ้ผีตายซ้ำนี่ได้หรอกแต่ขีดเส้นเอาไว้เผื่อจะได้สังเกตว่าถ้าหากเราย้อนกลับมาดูมานิทีหนึ่งมันจะยังนั่งอยู่ที่นี่ตามเดิมในลักษณะการเดิมหรือเปล่าเท่านั้นใจจริงน่ะฉันอยากจะให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดไปด้วยซ้ำบนคำนึกขึ้นมาได้จ้องซาบน้นตาโตแล้วหันครอบประทางเขากระชิแต่ถ้ามันย้ายจากที่เดิม หรือเวลาเรามาดูบนันทึกทีหนึ่งมันหายไปแล้วล่ะโอ๊ยยิ่งนายพูดบุญคําก็ยิ่งชาจะมองเห็นอะไรขึ้นมาลำไรแล้วนะประโยคหลังบุญคำำาําทำท่าขนลุกขนพองกระพินตกไหลเบาๆอย่าทําปอดแหกไปหน่อยเลยหน้าเสียแรงชื่อบุญคำเราหวังไว้เต็มที่ว่าพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางจากที่นี่ฉันกับบุญคําจะย่องกลับมาดูที่บ้านนี้ทั้งหนึ่งและมันก็ยังอยู่ในกรอบที่ท่านเขียนเส่นไว้ให้ตรงนี้ตามเดิมทุกอย่าง ถ้าหากมันข ย, ย, ยับพเย็นไปจากที่เดิมก็ดีไปลยลักษณะจากการนั่งเป็นนอนหรือในท่าอื่นๆก็ดีหรือสูญหายอันตรานไปเลยก็ดีเมื่อนั้นเราค่อยคิดกันใหม่ว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีคุณทำก้นหายใจยืมตาเหลือก นายคุณคำว่าเอาอย่างนี้ดีไหมตัดปัญหาเราช่วยกันจัด ก, การเผาซ่ามันเสร็จเลยถูกไฟเข้าประเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่ามันจะไหม้หรือไม่ไหม้ถ้าเผาแล้วมันไม่ไหม้แบบเดียวกับซ่าของไอ้ผีดิบมันไใจหรือนางแม่มดวาสกานั่นคุณคำมีวิธีจะทําให้มันไหม้เป็นที่เท่าได้จะได้รู้แล้วรู้รอบไปเสร็จเลยไม่ต้องมานอนใจเต้นอีกคืนหนึ่งคุณคำชักจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรุ่งนี้เวลาเรามาดูอยู่มันจะอยู่ตรงนี้อีกหรือเปล่า รอยยิ้มขึ้มขึ้ปรากฏขึ้นที่ษะของใบหน้าอันกล้านเกรียมนั้นเขาสันทิะช้าชา้ายังไม่จําเป็นอะไรมันจะเออกระเถิบเกินไปและที่สําคัญที่สุดก็คือฉันยังไม่ต้องการให้พวกนายจ้างเขารู้ว่าเรามาพบอะไรเข้าพวกนั้นชอบปุ้นไายสักถามอะไรต่ออะไรตลอดเวลาบางทีฉันก็ขี้เกียจตอบไปเรากลับกันไปเถอะทิ้งมันไว้ในสภาพเติมอย่างนี้นี่แหละว่าแล้วเขาก็จับไหลป่ปืนคําจึงให้ออกเดินเราเท่าอย่างลีรอเดินพลางเหลียวหน้าเหลียวหลังมองซากลึกๆนั้นพลาง ถ้าทางแก่ไม่เป็นสุขนักจรพินต้องกระชากแขนแล้วพักให้แกเดินไต่สร้างทางขึ้ลงขวางลํำห้วยอยู่กลับไปยังอีกฟากหนึ่งทําไมสัดใจมานักหรือประเดี๋ยวคืนนี้ก็ส่งให้มานอนเข้ามันเสียหรอกเอาไหมบนญอมกรเดิ่น้ําลายลงคอจ้างอีกยี่สิบหมืนบุญคำก็ไม่มาถ้านายไม่มาด้วยจำไว้นะยับปากให้สนิทไม่ต้องพูดเรื่องนี้ให้พวกเจ้านายรู้เลยแม้แต่พวกเราคนไในคนหนึ่งฟังทั้งสิ้นรู้กันเพียงแค่สองคนเท่นกับบุญคาพอแล้วเาขาคาดคั้น ไอ้สามตัวนั่นควรจะรู้ไว้ด้วย น, ะนาไอ้จันได้ เ, เกิดไอ้เสยบอกแล้วว่าไม่ต้องให้ใครรู้ทั้งนั้นแหละประเดี๋ยวมันมากเรื่องเชื่อทนาว่าไม่มีอะไรหรอกถึงพรุ่งนี้เรามาดูมันมันก็คงจะอยู่ตรงนี้นี่แหละประโยคหลังเขาพูดเนหัเราเบาๆเหมือนจะปลอบใจแต่เท่าพยายามมองตาอย่างค้นหาแล้วแย้งว่าอ้าวทนายคิดอย่างนั้นแล้วนายเรียกคุณคํามาดูทําไมล่ะเอามีขีดเป็นรอยตำหนิไว้ทําไมล่ะ ที่เรียกมาให้ดูก็เพราะเห็นว่ามันแปลกดีแล้วที่กิีนเส้นไว้ก็ลองทำตำหนิว่าอย่างนั้นเองแหละเขาตัดบดแล้วเหนียวพอแกให้เดินกลับไปยังปางพักโดยเร็ว